พุทธประวัติจากพระโอษฐ์ภาคนำข้อความให้เกิดความสนใจในพระพุทธประวัติโลกธาตุหนึ่งมีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวอานณน์ภิกษุผู้ฉลาดในฐานะและอาถานะนั้นยอมรู้ว่าข้อนี้ไม่ใช่ฐานะข้อนี้ไม่ใช่โอกาสที่จะมีหรือข้อที่ในโลกธาตุอันเดียว จะมีพระตะถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะสององค์เกิดขึ้นพร้อมกันไม่ก่อนไม่หลังกันนั่นมิใช่ฐานะที่จะมีได้ส่วนฐานะอันมีได้นั้นคือข้อที่ในโลกกรทาต์อันเดียวมีพระตะถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะองค์เดียวเกิดขึ้นนั่นเป็นฐานะที่จะมีได้ การปรากฏของพระตถาคตมีได้ยากในโลกภิกษุทั้งหลายการมาปรากฏของบุคคลเอกคือไม่มีใครซ้ำสองมีได้ยากในโลกใครเล่าเป็นบุคคลเอกตถาคตผู้เป็นพระอรหันต์ตรัส ร, รู้ชอบเองเป็นบุคคลเอกคือไม่มีใครซ้ำสองภิกษุทั้งหลาย การมาปรากฏของบุคคลเอกนี้แลมีได้ยากในโลกโลกที่กำลังมัวเมาก็ยังสนใจในธรรมของพระตถาคตภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะเกิดขึ้นจึงเกิดมีของน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีสี่อย่างนี้ปรากฏขึ้นสี่อย่างอะไรเล่า ภิกษุทั้งหลายประชาชนทั้งหลายพอใจในกรรมคุณยินดีในกรรมคุณเบินเทิงอยู่ในกรรมคุณครันตถาคดแสดงธรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับกรรมคุณประชาชนเหล่านั้นก็ฟังเงี่ยหูฟังตั้งใจฟังเพื่อให้เข้าใจทั่วถึงภิกษุทั้งหลายนี้คือของน่าอัศจรรย์ ไม่เคยมีอย่างที่หนึ่งมีขึ้นมาเพราะการบังเกิดของตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุท ธ, ธะภิกษุทั้งหลายประชาชนทั้งหลายพอใจในการถือตัวยินดีในการถือตัวบันเทิองอยู่ในการถือตัวครั้นตถาคตสแสดงธรรมที่กำจัดการถือตัวประชาชนเหล่านั้นก็ฟังเงี่ยหูฟัง ตั้งใจฟังเพื่อให้เข้าใจทั่วถึงภิกษุทั้งหลายนี่คือของน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีอย่างที่สองมีขึ้นมาเพราะการบังเกิดของตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะภิกษุทั้งหลายประชาชนทั้งหลายพอใจในความวุ่นวายไม่สงบยินดีในความวุ่นวายไม่สงบ บันเทิงอยู่ในความวุ่นวายไม่สงบครั้นตถาคตแสดงธรรมที่เป็นไปเพื่อความสงบประชาชนเหล่านั้นก็ฟังเงี่ยหูฟังตั้งใจฟังเพื่อให้เข้าใจทั่วถึงภิกษุทั้งหลายนี่คือของน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีอย่างที่สามมีขึ้นมาพราะการผลเกิดของตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ ภิกษุทั้งหลายประชาชนทั้งหลายประกอบอยู่ด้วยอวิชชาเป็นคนบอดถูกความมืดครอบงำเอาแล้วครั้นตถาคตแสดงธรรมที่กำจัดอวิชชาประชาชนเหล่านั้นก็ฟังเงี่ยหูฟังตั้งใจฟังเพื่อให้เข้าใจทั่วถึงภิกษุทั้งหลายนี่คือของน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีอย่างที่สี่ มีขึ้นมาเพราะการบังเกิดของตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะการมีธรรมของพระตถาคตอยู่ในโลกคือความสุขของโลกภิกษุทั้งหลายเมื่อพระสุคตก็ดีระเบียบวินัยของพระสุคตก็ดียังคงมีอยู่ในโลกเพียงใดอันนั้นก็ยังเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อความสุขของชนเป็นนั้นมากเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอยู่เพียงนั้นภิกษุทั้งหลายพระสุคต์นั้นคือใครเล่าคือตถาคตบังเกิดขึ้นในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ผู้ตรัสรู้ชอบเองถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะ เป็นผู้ไปดีหรูแจงโลกเป็นสารถีฝึกคนควรฝึกไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์เป็นผู้เบิกบานแล้วจำแนกทำออกสอนสัตว์นี้คือพระสุคตภิกษุทั้งหลายระเบียบวินัยของพระสุคตนั้นคืออะไรเล่าคือตถาคตนั้นแสดงธรรมไเรอในเบื้องต้น ท่ามกลางและที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัดพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงทมที่ตถาคตสแสดงพรหมจรรย์ที่ตถาคตประกาศนี้แลคือระเบียบวินัยของตถาคตภิกษุทั้งหลายเมื่อพระสุคตก็ดีระเบียบวินัยของพระสุคตก็ดียังคงมีอยู่ในโลกเพียงใด อันนั้นก็ยังเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขของชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอยู่เพียงนั้นพระตถาคตเกิดขึ้นเพื่อความสุขของโลกพรามเอย๋ยมีสมณพราหมณ์จาพวกหนึ่งกลางคืนแท้ ก็เข้าใจไปว่ากลางวันกลางวันแท้ๆก็เข้าใจไปว่ากลางคืนข้อนี้เรากล่าวว่าเป็นเพราะสมณพราหมณ์เหล่านั้นเป็นผู้อยู่ด้วยความหลงพรามเอย๋ยส่วนเราตถาคตย่อมเข้าใจกลางคืนเป็นกลางคืนกลางวันเป็นกลางวันพรามเอย๋ยเมื่อใครจะเรียกผู้ใด ให้เป็นการถูกต้องว่าเป็นสัตว์ผู้มีความไม่หลงอยู่เป็นปกติและเกิดขึ้นเพื่อความเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแล้วเขาเมื่อจะเรียกให้ถูกต้องเช่นนั้นพึงเรียกเราตถาคตน้แล ว่าเป็นสัตว์ผู้มีความไม่หลงอยู่เป็นปกติเกิดขึ้นเพื่อความเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเครห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระตถาคตเกิดขึ้นในโลกเพื่อแสดงแบบแห่งการครองชีวิตอันประเสริฐแก่โลก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 ตถาคตนั้นได้ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้กับทั้งเทวดามารพรซึ่งหมูสัตว์กับทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้แจ้งตามตถาคตนั้นแสดงธรรมไพร่ในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดประกาศพระมรรจันพร้อมทั้งอัต พร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงขรืหาบดีหรือลูกขรืหาบดีหรือคนที่เกิดในตระกูลอื่นใดในภายหลังยอมฟังธรรมนั้นครั้นฟังแล้วยอมเกิดศรัทธาในตถาคตกุลบุตรนั้นผู้ประกอบอยู่ด้วยศรัทธายอมพิจารณาเห็นว่าขราวาดับแคบ เป็นทางมาแห่งธุลีส่วนบรรพชาเป็นโอกาสว่างมันไม่เป็นไปได้โดยง่ายที่เราผู้อยู่ครองเรือนชช่นนี้จะประพฤติประมายนนั้นให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนสังที่เขาขัดสะอาดดีแล้วถ้าใครเราพึงปรงผมและหนวดครองผ้าย้อมฝาดออกจากเรือนไปบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนเถิด ตถาคตเกิดขึ้นแสดงธรรมเพื่อความระ ง, งับดับรู้ภิกษุทั้งหลายตถาคตเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นพระอระหันต์ผู้ตรัสรู้ชอบด้วยตนเองสมบูรณ์ด้วยวิ ช, ชาและจรณนะดำเนินไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกคนควรฝึกไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์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 ภิกษุทั้งหลายถ้าธรรมชาติสามอย่างเหล่านี้ไม่พึงมีอยู่ในโลกแล้วไซต์ตถ า, าคตก็ไม่ต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรหันตะสมมาสัมพุท ธ, ธะและธรรมวินยัยที่ตถ า, าคตประกาศแล้วก็ไม่ต้องรุ่งเรืองไปในโลกธรรมชาติสามอย่างนั้นคืออะไรเล่าคือชาติด้วยชาราด้วยมรณะด้วย ภิกษุทั้งหลายธรรมชาติสามอย่างเหล่านี้แลถ้าไม่มีอยู่ในโลกแล้วไซตถาคตก็ไม่ต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรหันต์ัสมมาสัมพุทธะและทาวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วก็ไม่ต้องรุ่งเรืองไปในโลกภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุใดแลที่ธรรมชาติสามอย่างเหล่านี้มีอยู่ในโลกเพราะเหตุนั้น ตถาคตจึงต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรหันตสัมมาสัมพุท ธ, ธะและธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วจึงต้องรุ่งเรืองไปในโลกผู้เชื่อฟังพระตถาคตจะได้รับประโยชน์สุขสิ้นกาลนานภิกษุทั้งหลายเราแลเป็นผู้ฉลาดในเรื่องโลกนี้ฉลาดในเรื่องโลกอื่น เป็นผู้ฉลาต่อวัตฏะอันเป็นที่อยู่ของมารฉลาต่อวิวัฏะอันไม่เป็นที่อยู่ของมารเป็นผู้ฉลาต่อวัตฏะอันเป็นที่อยู่ของมรรตยูฉลาต่อวิวัฏะอันไม่เป็นที่อยู่ของขมรรตยูจนเหล่าใดถือว่าเรื่องนี้ควรฟังควรเชื่อข้อนั้น จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นสิ้นกาลนานครั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสคํานี้แล้วพระสุคดได้ตรัสคําอื่นอีกดังนี้ว่าทั้งโลกนี้และโลกอื่นตถาคตผู้ทราบ ด, ดีอยู่ได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้วทั้งที่ที่มานไปไม่ถึง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 ทำให้หมดพิส่งแล้วภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มากมูลด้วยปราโมทปราถนาธรรมอันเกษมจากโยคะเถิดทรงขนานนามพระองค์เองว่าพุทธเป็นการสนทนากับโทนพรามท่านผู้เจริญของเราท่านเป็นเทวดาหรือพรามเอ๋ยเราไม่ได้เป็นเทวดาดอก ท่านผู้เจริญของเราท่านเป็นคนทันหรือพรามเอ๋ยเราไม่ได้เป็นคนทันดอกท่านผู้เจริญของเราท่านเป็นยักษ์หรือพรามเอ๋ยเราไม่ได้เป็นยักษ์ดอกท่านผู้เจริญของเราท่านเป็นมนุษย์หรือพรามเอ๋ยเราไม่ได้เป็นมนุษย์ดอกท่านผู้เจริญของเรา เราถามอย่างไรอย่างไรท่านก็ตอบว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเช่นนั้นท่านเป็นอะไรเล่าพรามเอ๋ยอาสวะเหล่าใดที่จะทำให้เราเป็นเทวดาเพราะยังละมันไม่ได้อาสวะเหล่านั้นเราละได้ขาดถอนขึ้นทั้งรากแล้วทำให้เหมือนตายอดด้วนไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้น อีกต่อไปแล้วปรามเอ๋ยอาสะวะเหล่าใดที่จะทำให้เราเป็นคนทันเป็นยักษ์เป็นมนุษย์เพราะยังละมันไม่ได้อสะวะเหล่านั้นเราได้ลักขาดถอนขึ้นทั้งรากแล้วทำให้เหมือนต่างยอดด้วนไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปแล้วปรามเปรียบเหมือนดอกบัวเขียวบัวหลวง หรือบัวขาวมันเกิดขึ้นในน้ำเจริญในน้าโผล่ขึ้นพ้นน้ำตั้งอยู่น้ำไม่เปียกติดมันได้ชั้นใดก็ชั้นนั้นพรามเรานี้เกิดในโลกเจริญในโลกก็จริงแต่เราครอบงำโลกเสียได้แล้วและอยู่ในโลกโลกไม่ฉาบทาแปดเปื้อนเราได้พรามท่านจงจำเราไว้ว่า เป็นพุทธดังนี้เถิดเรื่องย่อที่ควรทราบก่อนบัดนี้เราผู้โคตมะโคตเจริญแล้วในสากยตระกูลเคยตั้งความเพียรไว้ได้บรรลุสัมมาสัมพธทยญาณอันสูงสุดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านาครของเราชื่อกบิลพัทบิดาของเราชื่อสุโทโธทนะ มารดาผู้ให้กำเนิดเราชื่อมายาเทวีเราอยู่ครองเรือน29ปีปราสาทสูงสุดสามหลังชื่อสุจันทะโกกะนุทะและโกนจะมีหญิงประดับดีแล้วสี่หมื่นนางนารีผู้เป็นชายาชื่อยโสธราลูกเราชื่อราหุน เพราะได้เห็นนิมิต ท, ทั้งสี่เราจึงออกด้วยม้าเป็นผานะทำความเพียรถึงหกปีเราได้ทำสิ่งที่ใครๆทำได้โดยยากเราเป็นชนะคือผู้ชนะประกาศธรรมจักรที่ป่าอีสิปัทนะเมืองพารณสีเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อโคตมะเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลาย ภิกษุผู้เป็นอัครส า, าวกสองรูปชื่อโกลิตะและอุปติสะอุปถากผู้ใกล้ชิดของเราชื่ออนนท์ภิกษุณีผู้เป็นอัครส า, าวิกาสองรูปชื่อเขมาและอุบบนว น, นาอุบาสกผู้เป็นอัครอุปถากสองคนชื่อจิตตะและหัตถาลวกะ อุบาสิกาผู้เป็นอัครอุปถายิกาสองคนชื่อนันทมาตาและอุตราเราได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุดนครวงแห่งไม้อสถัถัะเรื่องสั้นๆที่ควรทราบก่อนอีกหมวดหนึ่งภิกษุทั้งหลายในพัตรกัปนี้ในบัดนี้ เราผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุท ธ, ธะได้บังเกิดขึ้นแล้วในโลกภิกษุทั้งหลายในบัดนี้เราผู้อรหันตสัมมาสัมพุท ธ, ธะเป็นกษัตริย์โดยชาติบังเกิดแล้วในขติยสกุลภิกษุทั้งหลายในบัดนี้เราผู้อรหันตสัมมาสัมพุท ธ, ธะโดยโคดเป็นโคตมาโคตภิกษุทั้งหลาย ในบัดนี้ประมาณอายุไขแห่งสัตว์ในยุค ข, ของเราสั้นมากผู้ที่เป็นอยู่ได้นานก็เพียงร้อยปีเป็นอย่างยิ่งที่เกินร้อยปีขึ้นไปมีน้อยนักภิกษุทั้งหลายในบัดนี้เราผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะได้ตรัสรู้นครวงแห่งไม้อสาสัตตภิกษุทั้งหลายในบัดนี้ สาวกสองรูปมีนามว่าสารีบุตรและโมกขลานะเป็นอัครสาวกคู่เลิศของเราภิกษุทั้งหลายในบัดนี้สาวกสนิบาตของเรามีเพียงครั้งเดียวและมีภิกษุถึง 1,250 รูปสังฆสนนิบาตแห่งสาวกของเราในครั้งนี้ผู้เข้าประชุมล้วนแต่เป็นพระขีณาสพทั้งสิน้น ภิกษุทั้งหลายในบัดนี้ภิกษุผู้เป็นอุปถาใกล้ชิดของเราคืออา n น o น์จัดเป็นอุปถาอเลิศภิกษุทั้งหลายในบัดนี้พระราชานามว่าสุตโตธนะเป็นบิดาของเราพระเทวีนามว่ามายาเป็นมารดาผู้ให้กำเนิดแก่เราน้องขอนชื่อกระบิลพัเป็นราชธานี แห่งบิดาของเราจบภาคนำ